เป็นบันดิตฉเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังไฝ่การศึกษาพักอยู่ที่เมืองโสเรยะครั้งนั้นภิกษุผู้เถระทั้งหลายเมื่อจะปรึกษาหารือได้ปรึกษากันดังนี้ว่าท่านพระเรวตะผู้เป็นพระหูสูตรเชี่ยวชาญปริยัตทรงธรรม ทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังใฟการศึกษาพักอยู่ที่เมืองโสเรยะถ้าพวกเราได้ท่านพระเรวตะมาเป็นพักพวกก็จะเข้มแข็งยิ่งกว่านี้ท่านพระเรวตะได้ยินภิกษุผู้เถระทั้งหลาย กำลังปรึกษากันด้วยทิพโสตาธาตุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ครั้นแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าอธิกรณ์นี้หยาบช้ารุนแรงการที่เราจะดูดายต่ออธิกรณ์นี้ไม่สมควรเวลานี้ภิกษุเหล่านั้นกำลังมาหาเราเรานั้นคลุกคลีกับภิกษุเหล่านั้นจะอยู่ไม่ผาสุก ถ้ากระไรเราควรไปเสียก่อนลำดับนั้นท่านพระเรวตะจึงเดินทางจากเมืองโสเรยะไปเมืองสังกัตสะต่อมาภิกษุผู้เถระทั้งหลายเดินทางไปเมืองโสเรยะถามว่าท่านพระเรวตะพักอยู่ที่ไหนพวกเขาตอบว่า ท่านพระเรวตะตเดินทางไปเมืองสังกัตสะต่อมาท่านพระเรวตะตเดินทางจากเมืองสังกัตสะไปเมืองกันนะกุตชะพิกสุผู้เถระทั้งหลายพากันเดินทางไปเมืองสังกัตสะถามว่าท่านพระเรวตะพักอยู่ที่ไหนพวกเขาตอบว่า ท่านพระเรวตะเดินทางไปเมืองกันนกุฎชะต่อมาท่านพระเรวตะเดินทางจากเมืองกันนกุฎชะไปเมืองอุทุมพระภิกษุผู้เถระทั้งหลายพากันเดินทางไปเมืองกันนกุฎชะถามว่าพระเรวตะพักอยู่ที่ไหนพวกเขาตอบว่าท่านพระเรวตะ เดินทางไปเมืองอุทุมพระต่อมาท่านพระเรวตะเดินทางจากเมืองอุทุมพระไปเมืองอักคระปุระภิกษุผู้เถระทั้งหลายพากันเดินทางไปเมืองอุทุมพระถามว่าท่านพระเรวตะพักอยู่ที่ไหนพวกเขาตอบว่าท่านพระเรวตะเดินทางไปเมืองอักคระปุระ ต่อมาท่านพระเรวตะเดินทางจากเมืองอักครปุระไปสู่สหาชาตินครภิกษุผู้เถระทั้งหลายพากันเดินทางไปเมืองอักคระปุระถามว่าท่านพระเรวตะพักอยู่ที่ไหนพวกเขาตอบว่าท่านพระเรวตะเดินทางไปสหาชาตินครภิกษุผู้เถระทั้งหลาย เดินตามไปพบท่านพระเรวตะที่สหชาตินคร